ตอนที่91จะเอาเงินจนไม่รักดีท่านนายค่ากับเขาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเรียกว่าแอบทำได้อย่างไรกันลีชิงพิงไม่ชอบใจสิ่งที่มารดาพูดนักนางถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเช่นไรแล้วยังมองเจิ้งหยุนชงเป็นคนแบบไหนกันไม่มีเรื่องเช่นนั้นเสียหน่อยนา่งกับเขาคบหาและแต่งงานกันตามปกติอย่างมากก็แค่ไม่ได้แจ้งทางบ้านเท่านั้นญาสนิทมิตรสหายทางตระกูลเจิ้งต่างก็ได้รับแจ้งกันทั่วหน้า ลี่ชิงพิงเดินเข้าไปดึงแขนมารดาด้วยความไม่พอใจมีเรื่องอะไรพวกเราแม่ลูกไปคุยกันเป็นการส่วนตัวเถอะมีเรื่องอะไรก็พูดต่อหน้าครอบครัวสามีเจ้านี่แหละจะเป็นไรไปหรือว่าที่เจ้าทำอยู่นี่ไม่ใช่การแอ บ, บทำกันเล่าแม่หลีผลักแขนลี่ชิงผิงออกพลานแค่นยิ้มมันน่าอายจนพบหน้าผู้คนไม่ได้เชียรหรือชิงพิงเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้อย่างน้อยเจ้าก็ควรแจ้งทางบ้านบ้างข้าต้องมารู้ข่าวเรื่องที่เจ้าแต่งงานจากปากผู้อื่นเช่นนี้จะให้คนเขาหัวร้อนยศตระกูลหลีของเราอย่างไร ใครเป็นคนพูดหลีชิงผิงมั่นใจว่าข่าวการแต่งงานใหม่ของนางไม่น่าจะแพร่ไปถึงหมู่บ้านเดิวเพียงนี้คนที่รู้เรื่องนี้มีเพียงคนตระกูลโจเท่านั้น8ปดเส่วนต้องเป็นหนิวซูเฟินที่ปากโป้งเป็นแน่ใครพูดไม่สําคัญเจ้าอย่ามาเปลี่ยนเรื่องแถวนี้แม่หลี่โบกมือขัดจังหวะหลีชิงผิงพลางกล่าวด้วยความรําคาญสินสอดเล่าตอนนี้ข้ายอยากรู้แค่ว่าการแต่งงานครั้งที่สองนี้พวกเขาให้สินสอดมาเท่าไหร่จะให้สินสอดหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของข้าไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่านแม้แต่น้อยทําไมหรือ พวกท่านเอาสินสอดของข้าไปแล้วครั้งหนึ่งยังคิดจะเอาเป็นครั้งที่สองอีกอย่างนั้นหรือหากเป็นเมื่อก่อนหลีชิงพิงคงคิดว่าไม่ควรแตกขาด ก, กับครอบครัวเดิมไม่ว่าพวกเขาจะเรียกร้องสิ่งที่เกินเลยเพียงใดนางก็จะพยายามตอบสนองให้ถึงที่สุดถ้าว่านับตั้งแต่แยกขาดกับโจเจี้ยนเย่หลีชิงพิงก็ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่านอกจากตนเองแล้วผู้อื่นล้วนพึ่งพาไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีหรือครอบครัวเดิมหลีชิงพิงกับหลีหวานต่างก็ไม่เคยสัมผัส ถ, ถึงความรักความเมตตาเลยแม้แต่น้อย นางกับลูกสาวไม่เป็นที่โปรดปราในบ้านสามีและในบ้านเดิมก็ยิ่งไม่เป็นที่ต้อนรับพระบิดามารดาของนางนั้นรักลูกชายมากกว่าลูกสาวยามที่หลีชิงผิงถูกรังแกในตระกูลโจคนในครอบครัวเดิมไม่เคยคิดจะออกหน้าช่วยแต่ยามนี้กับโผล่หัวมาได้เห็นชัดว่าจงใจมาเพื่องเงินโดยเฉพาะนางสงสัยตาเป็นสัญญาณให้เจิ้งหยุนฉงหยาได้พูดอะไรสุ่ม4สุ่มหเรื่องนี้นางต้องเป็นคนจัดการเองรอยยิ้มที่มุมปากของเจ้าชุนหววแข็งค้งนางกระแสไมออกมาเบาๆ แม่ดอกไม่เห็นต้องพูดจาให้ระคายหูถึงเพียงนี้เลยก่อนหน้านี้ข้าเคยถามความเห็นของชิงถิงแล้วนางอาจจะยังหาเวลาที่เหมาะสมไปบอกพวกท่านไม่ได้แต่ตอนนี้รู้แล้วก็ยังไม่สายในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วพวกเราย่อมต้องต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเพียงแต่ในบ้านไม่มีห้องว่างให้พวกท่านพักเพราะพวกท่านมากันกระทันหันเกินไปเอาอย่างนี้เถอะข้าจะให้ยุนชงพาทั้งสามท่านไปพักที่เรือนพักรับรองพวกท่านสามารถไปกินอาหารที่โรงอาหารได้ฟรีแบบนั้นจะสะดวกกว่าอย่างไรพวกเราก็เป็นคนจากครอบครัวเดิมของน้องสาวนะ เพิ่มมาถึงพวกเจ้าก็จะไล่พวกเราไปแล้วหรือแม่หลีกล่าวยังไม่สบอารมณ์เือพวกเจ้าแอบแต่งลูกสาวข้าไปโดยไม่บอกกล่าวเห็นชัดว่าจงใจเอาเปรียบตอนนี้ยังไม่เห็นหัวครอบครัวเดิมอย่างพวกเราอีกอย่าลืมนะว่าในท้องลูกสาวข้ายังอุ้มท้องลูกของตระกูลพวกเจ้าอยู่เห็นแก่น้าเด็กในท้องพวกเจ้าก็ควรจะต้อนรับพวกเราให้ดีกว่านี้เท่านี้ยังไม่พออีกหรือเมื่อก่อนคนตระกูลโจไม่เคยให้หน้าพวกเขาสักนิดอย่าว่าแต่ต้อนรับเลยแค่ไม่วางมวยกันก็ถือว่าดีมากแล้ว ลี่ชิงผิงมองออกว่าพวกเขาเห็นแม่สามีของนางเป็นคนยอมคนจึงที่จะขมเหงท่านแม่ท่านพอเลอะก่อเรื่องเสียทีได้หรือไม่รักษาหน้าตาตัวเองบ้างเถอะเจ้าหุบปากไปเลยแอบขายตัวเองไปแบบนี้ยินจะมีหน้ามาพูดอีกหรือพ่อหลี่สะสมความโกรธแค้นไว้ในใจตั้งแต่รู้ว่าลี่ชิงทิงแต่งงานใหม่ใ น, นเมื่อตอนนี้สบโอกาสระบายโทสะออกมามีหรือที่เขาจะยอมปล่อยนางไปง่ายๆที่นี่คือบ้านของข้าไม่ใช่บ้านตระกูลหลี่ของพวกท่าน เจ้างุนฉงเข้าใจดีว่าที่หลีชิงถิงไม่ให้เขาพูดเพราะนางไม่อยากให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและต้องการจัดการด้วยตนเองแต่เมื่อดูจากสถานการณ์ในตอนนี้เห็นได้ชัดว่านางจัดการเองไม่ไหวเจ้างุนฉงกุมข้อมือหลีชิงถิงพรางดึงนางมาปกป้องไว้ข้างหลังสายตาคมกริบกวดัดมองคนทั้งสมทีละคนก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำหลีชิงถิงไม่ได้เป็นเพียงลูกสาวของพวกท่านแต่นา ง, งเป็นภรรยาของข้าด้วยต่อหน้าข้าหากใครกล้าพูดจะรุนแรงใส่นางแม้แต่คำเดียวก็อย่าหาว่าข้าไม่เคารพผู้ใหญ่ก็แล้วกัน เจ้าชุนฮวายิ้มบางๆลูกชายของนางพูดได้ยอดเยี่ยมยิ่งนักเสือไม่คำรามคิดว่าเป็นแมวป่วยหรืออย่างไรพ่อหลีกับแม่หลีเริ่มรู้สึกขยาดในใจนึกไม่ถึงว่าหลีชิงผิงจะมีฐานะในตระกูลเจิ้งถึงเพียงนี้ดูถ้าจะใช้กำลังข่มขู่ไม่ได้ผลคงต้องใช้แผนการอื่นแทนแม่หลีลอกตาไปมาพลางเปลี่ยนน้เสยงันควนจากที่เคยแข็งกร้าวก็อ่อนลงหลายส่วน ชิงพิงที่แม่พูดแรงไปก็เพราะหวังดีกับเจ้านะเจ้าเองก็มีลูกสาวลองคิดในมุมของพวกเราดูสิลูกสาวตัวเองตัดสินใจเรื่องแต่งงานเองโดยไม่บอกกล่าวแล้วจะให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนอีกอย่างถิงจะแต่งเข้าบ้านสามีไปแล้วพวกเขาจะเห็นหัวเจ้าหรือเรื่องนี้ท่านสบายใจได้เลยข้าปฏิบัติกับลูกสะพ้ยเหมือนลูกสาวแท้ๆของตัวเองมาตลอดเรื่องนี้ชิงพิงย่อมรู้ดีเจ้าชุนฮวากล่าวขัดจังหวะแม่หลีคนผู้นี้หมายความเมื่ออย่างไร ต่อหน้าครอบครัวสามีกับพยายามยุยงให้ชิงถิงผิดใจกับแม่สามีอย่างนั้นหรือดูท่าที่หลี่ชิงถิงเคยพูดไว้จะไม่ผิดเลยมีหน้านางถึงไม่อยากแจ้งข่าวเรื่องแต่งงานให้ทางบ้านรู้เจ้าชุนฮาวาวันนี้ได้เห็นดีเข้าให้แล้วจริงๆมุมปากของนางประดับด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันซึ่งดูขัดหูขัดตาแม่หลี่ยิ่งนักอย่าเห็นว่าเจ้าชุนฮาวาดูมีเหตุผลกว่าหิวซูเฟินแท้จริงและนางนี่แหละคือคนที่รับมือยากที่สุด ไม่รู้ว่าคนผู้นี้ใช้ยาสเสน่ห์อะไรกับหลี่ชิงผิงถึงทำให้นางไม่เห็นหัวพ่อแม่บังเกิดกล้าเชน่นนี้เอาเถอะพวกเรานั่งรถมานานก็เหนื่อยแล้วไปพักที่เรือนพักรับรองก่อนก็ได้แม่หลี่ครุ่นคิดรอบแรกขอพักรบไว้เท่านี้ก่อนนางจะกลับไปเตรียมแผนการใหม่ชิงผิงจะไปส่งพวกเราความในของแม่หลี่คือไม่ต้องการให้เจิ้งหยุนฉงตามไปด้วยเพราะมีเรื่องที่ต้องคุยกับหลี่ชิงผิงเป็นการส่วนตัวแน่นอน ชิงพิงกำลังอุ้มท้องอยู่ไม่สะดวกจะพาพวกท่านไปรอกให้หยุนชงไปส่งพวกท่านเถอะไม่เป็นไรข้าไม่กล้าใช้ลูกชายท่านหรอกใช้ลูกสาวตัวเองสะดวกใจกว่ามีอะไรต้องเกรงใจกันเล่าลูกเขยคนหนึ่งก็เหมือนลูกชายครึ่งคนไม่จําเป็นหรอกหลีชิงพิงกล่าวขัดขึ้นข้าไปเองแววตาของหลีวันหมดลงนางเดินเข้าไปรับห่อสัมภาระในมือแม่หลีคุณยายข้าจะไปส่งพวกท่านด้วย แม่หลีทะลึงตาใส่หลีหว่านอย่างไม่พอใจแต่ไม่ได้พูดอะไรเจ้าตามไปสิเจ้าชุนฮวามองตามพวกเขาที่เดินออกไปได้ระยะหนึ่งก่อนจะเตือนให้เจิ้งหยุนฉงตามไปและต้องตามไปให้ติดชนิดไม่ให้คลา ส, สายตาครอบครัวเดิมของชิงผิงนี่มันไม่ใช่คนจริงๆคนพันนี้เลี้ยงชิงผิงให้มีนิสัยดีขนาดนี้ได้อย่างไรกันดูถ้าคำกล่าวที่ว่าคือบนไม่ตรงคือล่างก็เบี๋วจะใช้ไม่ได้ผลเสมอไปเสียแล้วท่านแม่ข้า ว, ว่า8ปดเกส่วนพวกเขาคงมาเพื่อของเงินหากไม่ได้เงินคงไม่ยอมไปแน่ เรื่องนี้พวกเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกที่แม่ห่วงคือชิงพิงกับเสียหวานจะต้องไม่ถูกรันแกครับค่าจะไปเดี๋ยวนี้เจิ้งหยุนชงรีบก้าวเท้าตามไปทันทีเจ้าชุนฮวามองตามแผ่นหลังของพวกเขาที่จากไปอย่างใช้ความคิดพลางพึพรรมพำด่าออกมาเบาๆว่าพวกวิ ญ, ญญาณตามหลอนคุณย่าท่านว่าใครหรือคะ